เจริาพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากความรกิจการงานต่างๆ จึงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาสร้างบุญสร้างกุศลที่จะมาสนับสนุนพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้มีแต่ความสุขและมีแต่ความเจริญด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรม ด้วยการฟังเทศฟังธรรมการกระทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงรับรองแล้วว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องที่จะนำมาความซึ่งแต่ความสุขและความเจริญโดยถ่ายเดียวการฟังเทศฟังธรรมนั้นท่านแสดงไว้ว่าเป็นกุศลเพราะคําว่ากุศลนี้แปลว่าความฉลาด ผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็เท่ากับได้การศึกษาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปแล้วฟังแล้วก็จะเกิดจิตใจที่ผ่องใสมีความสงบมีความสุขจะมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะพุทธศาสนิขชน นั้นบางคนบางท่านยังไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็จะปฏิบัติไปโดยไม่ถูกทางผลที่พึงจะได้รับก็จะไม่ได้เป็นผลที่ปรารถนาดัางนั้นเราต้องฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องเช่นความเห็นที่ว่าสิ่งต่างๆที่พวกเราปรารถนากัน ความสุขความเจริญก็ดีสวรรค์ก็ดีมรรคผลนผิพพานก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะขอจากใครได้การที่เราทำบุญและเราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นเราต้องวิเคราะห์ดูว่าการกระทำของเรานั้นเป็นเหตุ ที่จะให้เกิดผลอะไรบ้างไม่ใช่ขอในสิ่งที่มันไม่เป็นผลขอไปก็ไม่เกิดประโยชน์ทุกอย่างนั่นมันเป็นเหตุและเป็นผลสิ่งต่างๆที่เราต้องการเป็นผลแต่จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการกระทำของเราที่เป็นเหตุไม่ได้เกิดจากการที่เราจุดธูปเทียนแล้วก็ขอ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้เหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาแต่เนื่องจากการกระทาของเรานี้เราทำมาหลายพบหลายชาติด้วยกันมีทั้งบุญมีทั้งกรรมและบางเวลาที่เราปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเราจุดธูปเทียนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางทีสิ่งที่เราต้องการก็ปรากฏขึ้นมาแต่ความจริงนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราขอแต่เกิดจากความดีที่เราเคยได้ทำมาในอดีตที่ได้ส่งผลในขณะนั้นหรือความไม่ดีก็เช่นเดียวกันบางทีเราทำดีแทบเป็นแทบตายแต่เรากลับรับข้อกรรมต่างๆไม่ได้รับการ ความเจริญก้าวหน้าอย่างที่เราคิดว่าเราควรจะได้นั่นก็เป็นเพราะว่าการกระทำความดีของเรานี้ยังไม่ส่งผลแต่ความควาทำของเราที่ไม่ดีในอดีตนั้นได้มาส่งผลก่อนก็เลยทำให้เราต้องรับข้อกรรมต่างๆไปนี่ก็คือเรื่องของเหตุของผลคือการกระทาและความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสือ่อม นรกหรือสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีหรือภพที่ไม่ดีหรือการได้รู้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระพุทธเจ้านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําทั้งสิน้นบางท่านเวลามาวัดกราบพระแล้วก็ขออธิษฐานว่า ขอให้ตายแล้วไปสวรรค์หรือขอให้ได้บรรลุมรรคผนิพพานโดยที่ไม่ได้กระทําเหตุที่จะทําให้บรรลุได้ขอไปนานสักเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติก็จะไม่ได้ผลที่ต้องการเพราะเหตุที่เราทํานั้นมันเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการถ้าเรายังมีความโลภโมโทโสันอยู่อย่างนี้ ก็จะเป็นเหตุที่จะทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆถ้ามีความโลภโมโทสันที่เกิดจากการกระทําบาปก็จะไปคือถ้ามีความโลภโมโทสันแล้วไปทําบาปก็จะสร้างเหตุก็คือก็คือเหตุที่จะทําให้เราไปเกิดในอบายหรือเหตุที่จะทําให้เราเกิดมีความ ทุกทำความว่าวุ่นขุนมัวต่างๆแต่ถ้าเรามาทาบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเราก็กําลังสร้างเหตุที่จะทําให้เราไปเกิดในสุคติให้ได้กลมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมหรือให้ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นอยู่กับปริมาณของเหตุที่เราได้กระทําและชนิดใด เช่นถ้าเราทำบุญให้ทานอย่างเดียวเราไม่รักษาศีลยังไม่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เหตุของการทำบุญให้ทานนั่นก็แสดงไว้ว่าจะทำให้เรานั้นมีความพร้อมเพียงในเรื่องของโภคกรัพย์ต่างๆไปเกิดพบใดก็ต่างก็จะไม่อุดอยากขาดแคลนจะมีเครื่องบำรุงบำรเลอร่างกายให้อยู่อย่างเป็นสุขแต่ ถ้าทำเพียงแต่ทานไม่รักษาศีนั้นท่านว่าจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไม่ได้ไปสุขคติไปเป็นเทพเป็นพรหมจะต้องไปเกิดในอบายในภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นภูมิของเปรตก็ดีภูมิของเดรัชานก็ดีแต่เนื่องจากที่ได้ทำให้ททานมามากถ้าไปเกิดเป็นเดรัชานก็จะเป็นเดรัฉานที่มีผู้คอยสนับสนุน เช่นได้เกิดเป็นสุนัขที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีคนที่อยากจะเอามาเลี้ยงดูเลี้ยงดีกว่าเลี้ยงลูกด้วยเสียด้วยซ้าไปนี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการให้ทานเพียงอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลเพราะศีลนี้จะเป็นเหตทุที่จะทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทพเป็นพระ อ, อริยบุคคลได้ต้องมีศีลเป็นเป็นเหตุ ถ้าไม่รักษาศีลก็จะต้องไปเกิดในอบายสมมติว่าถ้าทาทานด้วยรักษาศีลด้วยก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเป็นต้นนี่ก็เป็นอนิสงส์หรือเป็นเหตุเป็นผลที่เกิดจากการกระทาต่างๆถ้าอยากที่จะเกิดสูงกว่านั้นคืออยากจะไปเป็นพรหมก็จะต้อง ปฏิบัติธรรมก็คือต้องนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบให้ได้ด้วยหมายถึงว่าต้องทำทานด้วยรักษาศีลด้วยแล้วก็ต้องนั่งสมาธิด้วยถึงจะได้ไปเป็นพรหมแล้วถ้าอยากจะไปเกิดเป็นพระอริยะบุคคลท่านต่างๆอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก, ก็ต้องทำเพิ่มอีกอย่างหนึง่ง ก็คือต้องเจริญปัญญาหรือจะวิปัสสนาทำความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพในสภาวะธรรมต่างๆว่ามีสามคุณลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เรารับรู้ที่เราเห็นเราได้ยินที่เราสัมผัสนี่มีคุณสมบัติอยู่สามประการด้วยกันที่เรามักจะมองไม่เห็นกันคืออะไรหนึ่งอ น, นิจจัง ความไม่เที่ยงสองทุกขังคือเป็นทุกข์สามอนัตตาคือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับให้อยู่ไปตามความต้องการของเราได้นี่คือคุณลักษณะที่มีอยู่ในอยู่กับสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัตถุเช่นข้าวของต่างๆหรือบุคคลหรือสภาวธรรม ที่มีอยู่ภายในใจของเราอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าเราไม่ฉลาดเราไม่รู้ทันและเราไปหลงยึดติดอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาที่เขาไม่เป็นไปาตามที่เราต้องการเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทัน ว่าเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วไม่อยู่ในความสามารถของเราที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้เราก็ปล่อยวางเราต้องยอมรับตามสภาพความเป็นจริงวันนี้เขาเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องยอมรับถ้าเรายอมรับรับได้ใจของเราก็จะ ไม่มีความทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ก็คือเรื่องของความทุกข์ใจความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากการที่เราไม่ได้เจริญกุศลกุศลก็คือปัญญาไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้สภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่พวกเรามา เกี่ยวข้องด้วยหรือมาเป็นเจ้าของด้วยเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ดีตำแหน่งงานการงานต่างๆก็ดีสรรเสริญก็ดีความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆก็ดีหรือร่างกายของเราก็ดีสิ่งเหล่านี้นั้นเขาไม่คงเส้นคงวาเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอ คือมีการเจริญและมีการเสื่อมเป็นธรรมดามีได้มีเสียเรามาตัวเปล่ า, ลาเมื่อเราตายไปเราก็ไปตัวเปล่ า, ลาเราไม่ได้เอาลาบยศเสริญสุขหรือเอาร่างกายของเราหรือของผู้อื่นติดตัวเราไปด้วยเราไม่สามารถเอาเอาไปได้สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญกุศลหรือบาปกรรมที่เราทำไว้เท่านั้น ถ้าเราเอาบุญเอากุศลไปเราก็จะได้ไปเกิดในสุขติถ้าเราเอาบาปเอากรรมไปเราก็จะไปเกิดในอบายนี่คือหลักของเหตุและผลที่ทรงตัดว่าเป็นกรรมเป็นกฎแห่งกรรมคำว่ากรรมนี้เป็นคำกลางๆแปลว่าการกระทากรรมดีเรียกว่าบุญกรรมชั่วเรียกว่าบาป การกระทานี้พวกเราก็ทำกันอยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะการกระทาของเรานี้ทำได้สามสามทางด้วยกันทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือความคิดต่างๆทางวาจาก็คือการพูดทางกายก็คือการกระทาต่างๆด้วยร่างกายของเราถ้าทำดีคิดดีพูดดีทำดี ใจของเราก็จะมีความสุขถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีใจก็จะมีความทุกข์เหล่านี้อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดท่านจึงทรงตรัสว่าเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีผู้อื่นจะเป็นผู้สร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ผู้อื่นนั้นเขาเป็นเพียงแต่จุดชนวนได้ เช่นเขาอาจจะพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีแล้วก็ไปจุดชนวนคือความโกรธที่มีอยู่ในใจของเราให้ลุกขึ้นมาสร้างความทุกข์ความรุ่มร้อนใจให้เกิดขึ้นแก่ใจของเราแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมความโกรธหรือรู้จักนั่งับความโกรธถึงต่อให้ใครเขาพูดอะไรอย่างไรทำอะไรอย่างไรเขาก็จะไม่สามารถ ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้พิสูจน์แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติจนได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วด้วยการศึกษาคุณลักษณะสามประการของสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อทรงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้ว ก็ทรงไม่มีความยุดติไม่มีความปรารถนาที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นไปตามความปรารถนาของพระองค์พระองค์พร้อ ม, อมที่จะรับกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเจริญก็ดีหรือเป็นการเสื่อมก็ดีทรงเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเช่นทรงพิจารณาว่าร่างกายนี้ เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีการตายเป็นธรรมดาเมื่อทรงรู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทรงฝืนพระไทยของพระองค์ให้มีความปรารถนาให้เป็นอย่างอื่นเพราะว่าเวลาใดที่มีความปรารถนาให้เป็นอย่างอื่นแล้วเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที จะเกิดมีความรู้สึกกังวลก歪กระสับกระสา ย, ย, ยว่าวุ่นขุ่นบัววิตกกังวลไปต่างๆนานาอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราขาดกุศลพวกเราไม่ค่อยได้มีเวลาศึกษาหรืออบรมสั่งสอนจิตใจของพวกเราให้รู้ทันถึงสภาวะธรรมต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเอง เวลาเรามองอะไรเราไม่เคยคิดถึงคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตากันเรามักจะมองว่าดีมีความสุขให้ความสุขกับเราแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วพอได้มาก็เกิดอุปทานความยึดติดความหวงแหนความอยากที่จะให้สิ่งที่เรารักเราชอบอยู่กับเราเป็นานๆแต่พอสิ่งที่เรารักเราชอบนั้นเกิดมีสภาพที่เปลี่ยนไป หรือศูนย์จากเราไปตอนนั้นเราก็จะมีความว้าวุ่นขุ่นมัวกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกทรมานใจจนอาจจะถึงขั้นที่ไม่อยากจะอยู่ต่อไปทั้งๆ ท, ที่ร่างกายก็ไม่ได้เป็นอะไรเสหน่อยเพียงแต่ว่าใจนี้เกิดความทุกข์อย่างรุนแรงขึ้นมาซึ่งเป็นความทุกข์ที่เราสามารถป้องกันได้หรือระงบรับดับได้ถ้าเรา ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอคือรู้สึกรู้จักทําใจให้สงบรู้จักสอนใจให้ <c oughs> รู้ทันแล้วปล่อยวางนี่คือสิ่งที่พวกเราขาดกันเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากพอเวลาของเรานั้นหมดไปกับการทำมาหากินดูแลรักษาชีวิตของเราและของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราจนเรา ลืมสิ่งที่สำคัญก็คือการดูแลรักษาใจของเราด้วยบุญด้วยกุศลถ้าจะทำก็จะทำได้อย่างเช่นในวันนี้พอมีเวลาว่างบ้างก็เลยได้มาวัดกันมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้มาเลยเพราะว่า ถ้าไม่ได้มาเลยแล้วก็จะเป็นเหมือนกับไม่ได้รับการดูแลเลยนี่อย่างน้อยก็ได้มาก็ได้รับการดูแลและอาจจะเป็นเหตุที่จะทำให้ได้มีการดูแลเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเมื่อเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของจิตใจของเราที่ได้ถูกปล่อยวางที่ได้ถูกละเลยมาพอวันนี้เราได้ยินแล้วว่า ความทุกข์ต่างๆภายในใจของเรานั้นเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดขึ้นได้แล้วเราสามารถระงับดับได้เราสามารถตั้งอยู่ในสภาพปกติได้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นมาก็ตามเพราะเหตุการณ์ต่างๆนั้นเขาเวลาเขาจะเกิดเขาก็จะเกิดเขาไม่มาถามเราหรือขออนุ ญ, ญาตเราว่าเกิดได้ไหม เช่นคนที่ใกล้ตัวเรา<ม>เขาเขาจะตายนี้เขาจะไม่มาขออนุญาตเราว่าขอตายได้ไหมแล้วเราไปห้ามเขาก็ไม่ได้ถึงเวลาที่เขาจะตายเขาก็ต้องตายร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเขาไม่มาขออนุญาตเราเวลาที่เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้ แต่ใจเรานี้เราห้ามได้เราบังคับได้เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้เราห้ามใจของเราไม่ให้วุ่นวายได้ด้วยการปฏิบัติธรรมสองวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งเราเรียกว่าสมถภาวนาหรือการทาสมาธิทาจิตใจให้สงบอีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการใช้ปัญญาระงับดับความทุกข์ความวุ่นวายใจ นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบงเพ็ญมาแล้วและได้รับประโยชน์จากวิธีสองวิธีนี้จึงได้นำามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราวิธีแรกนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้ชั่วคราวคือเวลาเรามีความทุกข์ใจแล้วเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้ไม่ว่าจะเป็นอุบายใดก็ตามอาจจะเป็นการสวดมนต์ ไปในใจเวลาเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาก็สวดมนต์ไปหลับตาสวดมนต์ไปไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรามีความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาถ้าสวดไปเรื่อยๆแล้วไม่นานก็จะลืมเรื่องที่จะทำทาใจของเราให้ว้าวุ่นขุ่นมัวใจของเราก็จะเย็นจะสบายขึ้นมาก็จะหายทุกหายความวุ่นวายได้นี่เรียกว่าอุบายของสมาธิ คือการเบี่ยงเบนความคิดของเราหนึนความคิดของเราให้ออกจากเรื่องที่กำลังสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราแล้วเอาความคิดอื่นมาทดแทนเช่นคิดบทสวดมนต์นี้ก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งหรือเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ทำให้ใจของเรานั้นมีงานทำคือมีความคิดที่ดีคิดในเรื่องที่ทาให้ใจของเราสงบ พอคิดเป็นานๆแล้วความคิดที่จะคิดเรื่องเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับเราก็จะหมดกำลังแล้วก็หายไปใจของเราก็หายจากความทุกข์ได้แต่จะหายแต่เฉพาะเวลาที่ใจสงบเท่านั้นพอใจเริ่มถอนออกจากความสงบแล้วถ้าไม่ควบคุมหรือดึงเอาไว้แล้วไปคิดถึงเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับเราก็จะเกิดความทุกข์กลับขึ้นมาใหม่ เราก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีของวิปัสสนาหรือปัญญาคือเราต้องวิเคราะห์สิ่งที่เราไปมีปัญหาด้วยที่เราไปมีความทุกข์ด้วยว่าเขาเป็นอย่างไรเราบังคับเขาได้หรือไม่เราทาให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้หรือไม่ถ้าเราทำได้ก็ทำไปความทุกข์ก็จะดับไปได้เช่นมีปัญหาแล้วเราแก้ไขปัญหานั้นได้ ความไม่สบายใจก็จะหมดไปได้หรือว่าถ้าเราวิเคราะห์แล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงแก้ไม่ได้ก็แก้ไม่ได้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปอย่างมากก็ตายคิดอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากเขาไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็จะหายจากเราไปเพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรเป็นปัญหาไปตลอดไม่มีอะไรอยู่ไปตลอดนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อที่จะมาระ ง, งับดับความทุกข์ใจความวุ่นวายใจของเราแล้วก็ไม่มีใครที่จะทําให้เราได้เราต้องทําเองสิ่งที่ผู้อื่นทําให้กับเราได้เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอริยสาวกทั้งหลายก็คือสอนเราสอนให้เรารู้จักวิธี ดับความทุกข์ภายในใจของเราแต่เราจะต้องเป็นผู้ดับเองเราจะต้องเอาวิธีที่ท่านสอนนั้นมาดับความทุกข์ภายในใจของเราถ้าเรายอมรับความจริงยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่อยู่ในความควบคุมของเราถ้าเราทำใจได้เราก็จะดับได้ แต่ถ้าเรายังทำใจไม่ได้เราก็ยังจะต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆต่อไปปัญหาของเราจึงอยู่ตรงที่ว่าเราทำใจได้หรือเปล่าเราเอาชนะใจของเราได้หรือเปล่าเอาชนะความโลภความอยากของเราได้หรือเปล่าบางทีเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่ดีแต่เราก็ยังอดไม่ได้เช่นคนที่ติดสุรา ก็รู้ว่าการดื่มสุรานี้มันไม่ดีแต่เขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะความอยากผ่ า, าในใจของเขาได้เพราะใจของเขานั้นมีความอ่อนไม่มีกําลังเ <c oughs> ขาจึงควรเสริมกําลังด้วยการเจริญสติสตินี้จะเป็นตัวที่จะสามารถดึงใจให้ให้อยู่ในการควบคุมบังคับของเราได้ เวลาที่เรามีสติเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้ถ้าเราไม่มีสติแล้วเราจะควบคุมความคิดของเราไม่ได้เช่นเวลาเราเกิดความอยากจะดื่มสุราเราจะไม่สามารถดึงความคิดที่อยากจะดื่มสุรานี้ให้หายไปให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเช่นให้ไปสวดมนต์ให้ไปบริกรรมพุทโธพุทโธได้เพราะใจไม่มีสติที่จะดึง ความคิดของตนให้ไปในทางที่จะระงับความอยากได้นั่นเองแต่ถ้าเราฝึกจเจริญสติเรื่อยๆแล้วต่อไปสติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นพอเราเกิดความอยากแล้วเรารู้ว่าความอยากนี้ไม่ดีเราก็ดึงใจให้มาสวดมนต์หรือให้มาบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่นานความอยาก ที่จะดื่มสุราก็จะหายไปได้เพราะเรามีกําลังที่จะต่อต้านความอยากเพราะเรามีสติดึงใจให้เข้ามาทำใจให้สงบ ด, ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีกําลังใจมีความสามารถที่จะควบคุมใจของเราเราก็ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาการเจริญสตินี้ไม่จำเป็นจะต้องมาวัด เพราะสตินี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเราอยู่ที่ไหนเราสามารถเจริญสติได้เสมอก็คือฝึกให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้ใจเราลอยไปตามสถานที่ต่างๆ mm. เช่นตอนนี้เรากําลังฟังธรรมะอยู่ถ้าเรามีสติเราก็จะมีใจรับรู้กับเรื่องของธรรมที่เรากําลังฟังอยู่แต่ถ้าเราไม่มีสติ เราก็อาจจะไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้คิดถึงเรื่องงานที่เราจะไปทำต่อไปหรือคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้หรือเมื่อสักครูน่นี้อย่างนี้เรียกว่าใจของเราไม่มีสติใจของเรามีสติต้องอยู่ในปัจจุบันต้องรับรู้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ไประบรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ต้องให้ใจอยู่ในปัจจุบันอย่าสรงใจไปในอดีตอย่าทรงใจไปในอนาคตเพราะจะทําให้ใจลอยไปลอยมาแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็จะตกอยู่ภายใต้อํนานาจของกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี้จะชอบดึงใจให้ไปไปที่อื่นไม่ให้อยู่กับที่จะให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้นี่เป็นเรื่องของ การมีใจลอยถ้ามีสติใจอยู่ปัจจุบันใจก็จะรับรู้อยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะไม่มีความรู้สึกที่อยากจะได้อะไรรับรู้อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดก็รู้รู้ตามความจริงแล้วก็รับว่ามันเป็นสิ่งที่มันเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเราหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีก หลบไม่ได้หลีไม่ได้ก็ต้องรับเคราะห์กรรมไปก็รับไปเพราะนี่คือโลกของเคราะห์กรรมโลกของที่เรามาใช้กรรมกันเป็นโลกที่เรามาสร้างบุญกันและมาใช้กรรมกันมารับผลบุญมารับผลกรรมกันถ้าเราไม่อยากที่จะรับผลบุญรับผลกรรมเราก็ต้องอย่ามาเกิดและวิธีที่จะไม่เกิดก็คือจะต้องตัดความอยากต่างๆให้ได้หมด การจะตัดความอยากได้ก็ต้องมีสติเป็นจุดเริ่มต้นพราเมื่อมีสติแล้วเราก็จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เมื่อใจมีสมาธิแล้วเราจะอบรมสั่งสอนใจเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะรับรู้รับฟังและจะตรงได้วางได้เพราะใจมีกำลังที่จะปล่อยวางได้มีกำลังที่จะตัดความอยากต่างๆได้ เมื่อตัดได้ก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจดังนั้นหน้าที่หลักของเราในชีวิตประจำวันของเราก็คือการเจริญสติอยู่เสมอขอให้เราดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายของเราอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเรากำลังทำอะไรก็ให้ใจรับรู้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่าคิดเรื่อยเปื่อยควบคู่ไปกับการกระทำของเรา เพราะจะเป็นการปล่อยให้ใจนั้นอ่อนปวกเปียกไม่มีกำลังใจที่จะตั้งอยู่ในในความดีงามได้จะมีกำลังใจที่จะต่อต้านกับความคิดต่างๆที่ไม่ดีได้เราต้องฝึกอยู่เรื่อยๆเราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาหอให้เรารับรู้อยู่ว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนเรากำลังทำอะไรเท่านั้นเอง ให้อยู่ตรงนั้นอยู่เสมอแล้วเมื่อเรามีเวลาว่าเราก็จะได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เพราะเมื่อเรามีสติแล้วใจเราจะไม่ลอยไปลอยมาถ้าจะให้บริกรรมพุทธโธก็จะบริกรรมพุทธโธแล้วก็จะรวมลงสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเ <c oughs> มื่อมีความสงบแล้วใจของเราก็จะมีความสุขจะไม่คิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ จะไม่เสียดายสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเรานั้นมันไม่เท่ากับความสุขที่เราได้รับจากใจที่สงบนี่เองเมื่อเรามีความสงบแบบนี้แล้วมีความสุขแบบนี้แล้วเราจะไม่ยึดติดกับลาบยศสรเสริญสุขต่างๆเรามีก็มีไปแต่เรารู้ว่าเขาไม่มีคุณค่าเหมือนกับความสุขที่เกิดจากการทำใจของเราให้สงบ ถึงแม้ว่าเรายังต้องเกี่ยวข้องกับลาบยศสารเสริญสุขแต่เราก็จะไม่วิตกกังวลกับเขาเขาจะมาหรือเขาจะไปเราก็รับได้เสมอเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ภายในใจของเรานี้เองแล้วเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความเกิดดับของความของลาบยศสารเสริญสุขต่างๆนี่คือ ผลที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาวัดมาบำเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมขอให้ทําไปให้มากๆเถิดแล้วความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นไปตามลาดับความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปตามลาดับจนหมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนยึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อมาบำเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลในวันที่ท่านมีเวลาว่างนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะศีรัวนาตรายัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้